ถึงฤดูดนาวอีกแล้วนะเวลาผ่านไปรวดเร็วเดี๋ยวก็ปีหนึ่งแล้วถ้าเราภาวนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆแต่ละปีแต่ละปีเราก็จะเห็นพัฒนาการของตัวเองการปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่แค่ถึงเวลาก็านั่งสมาธิเดินจงกรมอะไราเงี้ยทำไปอย่างนั้นนึกว่าจะดี สุดสำคัญคือความมีสตินั่งด้วยความมีสติเดินด้วยความมีสติอย่างฝึกตัวเองให้มันมีสติต่อเนื่องต่อไปเราจะอยู่กับโลกได้อย่างสบายโลกมันกระเพิ่มหวั่นไหวอยู่ตลอดเวลา ใ, ใจเรามันจะไม่กระเพิ่ม คนนั้นไม่มีเบอร์เรอเิช่วยดูช่วยดูกันหน่อยนกะว่าพวกเราจะได้มานั่งฟังทำสบายๆอย่างเงี้ยทีมงานที่ช่วยกันทำงานนี้หลายสิบคน ทำกันโดยไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนอะไรทำด้วยใจอยากทำประโยชน์ให้กับพระศาสนาอย่างทีมไลท์นะกกำลังฝึกเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาอีกทีมที่ช่วยกันดูแลพวกเราให้เข้าศ า, าลาจนถึงคนงานที่มาจัดเตาอี้ไม่ใช่คนนหลายสิบคนอยู่ ในบางทีพวกเราบางทีก็ไม่พอใจบ้างอะไรบ้างนะคนทำงานบางทีก็ผิดพลาดอะไรเป็นเรื่องธรรมดาแต่ทุกคนก็ตั้งใจที่จะทำไม่ดีที่สุดอยู่แล้วงั้นมาฟังก็อย่าขี้บ่นเนาะบ่นโน่นบนนี่ไ คนขี้บ่นภาวนายากหลวงพ่อแต่ก่อนไปวัดครูบาอาจารย์ไม่บ่นหอกอย่งครูบาอาจารย์สั่งให้พราานะอุปถาห์ไปเอากุญแจกุฏิพราให้หลวงพ่อพระอุปถาหไม่ว่างให้หลวงพ่อไปขอจากพระเวนเป็นเว น, เวนจริงๆนะไม่ใช่คําดา กจากพลาเวีนท่านไม่ให้บอกเป็นคราวาสไม่ให้อยู่เขตพลาเลวพ่อก็ไม่ว่าเลยอยู่ใต้ต้นไม้เราก็อยู่ได้ไม่เห็นจะลำบากอะไรเลยฝนตกอยู่ใต้ต้นไม้ไม่ได้มหลบอยู่ใต้ถุนกุฏิที่มันว่างๆไม่เคยป่วยวายอะไรกับใคร ไปวัดมาทีไปช่วงแรกๆไม่รู้จักใครไม่มีข้าวกินไม่มีข้าวกินก็ไม่กินไม่เห็นจะเป็นไรเลยวันสองวันอะไรอย่างเงี้ยไม่บน่นเอานางแล้วเรามุ่งหาคุณงามความดีใส่ตัวไม่ได้มุ่งไปแสดงอิทธิพลอะไร ผ่านวันผ่านเวลามาก็ได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจจิตใจเรามีพัฒนาการขึ้นถ้าเราวันวันเอาแต่ตีกับคนอื่นโอกาสพัฒนานั้นไม่มีหรอกปฏิบัติรรมเพื่อลดละกิเลสศัสตรูของเราคือตัวกิเลสเรียนรู้ขึ้นมาที่จิตที่ใจตัวเอง ภาวนาไปการปฏิบัติธรรมในขั้นต้นก็คือฝึกให้จิตใจอยู่กับเนือ้ออัตัวสักก่อนให้จิตตั้งมั่นจิตจะตั้งมั่นถ้าเรารู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่นเราทำกรรมาฐานสักอย่างหนึ่งนะอย่างเช่นหายใจเข้าพูดหาใจออกโทรอะไรเงี้ยเ่อใจเราไหลไปคิด ใจเราหลงไปไหลไปไหลไปคิดอะไรเงี้ยรู้ทันใจที่ไหลไปคิดจะดับจะเกิดจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเนี่ยเป็นจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเกิดง่ายๆเลยด้วยการรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมัน่นจิตที่ไหลไปไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดรู้ทั น, น, นแล้วจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติ อาศัยรู้จิตที่ไม่ตั้งมั่นทำให้เกิดจิตที่ตั้งมั่นอาศัยจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยนะทำให้ขันมันแยกได้แยกทาตแยกขันได้อย่างพอจิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเนีร่างกายมันนั่งเราเห็นร่างกายมันถูกรู้ถูกดูมันนั่งอยู่ร่างกายมันหายใจอยู่หายใจออกหายใจเข้าอยู่มันเป็นของถูกรู้ถูกดู ร่างกายไม่ใช่จิตร่างกายเป็นคนละอันกับจิตหายใจไปหายใจไปแล้วนะเกิดกิเลสอะไรขึ้นมานะแล้วก็รู้ทันยมีกิเลสเกิดแล้วใจมันฟุ้งซ่านไหลไปรู้ทันไปแล้วก็เห็นร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งนะความฟุ้งซ่านก็เป็นอีกส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง หรือเรานั่งอยู่อย่างนี้มันเกิดคันขึ้นมาเราก็เห็นร่างกายมันอยู่ส่วนหนึ่งนะความคันเนี่ยมันเกิดขึ้นมาทีหลังมันไม่ใช่ร่างกายไม่ว่าเป็นของถูกรู้ถูกดูเนี่ยถ้าว่ามีใจเป็นผู้รู้ผู้ดูนะมีใจตั้งมั่นมันก็จะสามารถแยกขันได้ง่ายๆอย่างถ้าตอนเนี้ใจเราล่องลอยไปแยกขันไม่ออก การภาวนาไม่ใช่เรื่องยากลำบากอะไรหรอกขั้นแร ก, ก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วก็รู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นมจิตที่ไหลไปไหลมามันจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นเพราะมีจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็ใช้จิตที่ตั้งมั่นเนี้ไปแยกธาตุแยกขันธ์ดูเราก็จะเห็นเลร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์ เกิดขึ้นในกายบ้างเกิดขึ้นในจิตบ้างก็เป็นอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่กายไม่ใช่จิตจิตก็อยู่อีกส่วนหนึ่งความดีความชั่วโลภโกรดหลงอะไรก็ไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ความรู้สึกสุขทุกข์เป็นอีกขันหนึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งเม่สังขารขันไม่ใช่จิตด้เป็นของถูกรู้ถูกดูเดี๋ยวพอจิตตั้งมั่นได้แล้วเราจะแยกขันได้ พอแยกขันได้แล้วต่อไปมันจะพัฒนาไปอีกมันจะเห็นสภาวธรรมในแต่ละขันนะมีประกอบด้วยสภาวธรรมหลายอย่างอย่างในร่างกายมนะ่มีสภาวะหลายอย่างมีธาตุดินน้ำไฟลมอากาศธาตุมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสอะไรเนยะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจ สเหลนี้เริ่มเป็นสภาวะทั้งนั้นแล้วก็จะค่อยๆเห็นไปสภาวะแต่ละอย่างแตกต่างกันดูสภาวะอย่างนั้นดูไม่ออกในกายดูยากหน่อยดูของที่ง่ายกว่านั้นดูรูปที่เคลื่อนไหวเช่นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าถ้าเราเห็นมีปัญญาเห็นร่างกายหายใจออก ร่างกายหายใจเข้าเนระาจะรู้เลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุาธาตุมีาธาตุไหลเข้าไปไหลเข้าทางจมูกนะไหลออกทางจมูกไหลเข้าทางปากนะไหลออกทางก้นอนะไรเงี้ยเป็นธาตุหมุนเวียนไปเรื่อยๆมันของถูกรู้ถูกดไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราหรืดูเวทนาะดูสภาวะธรรมตัวเวทนา ความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจิตเป็นคนดูนะเพราการที่เรารู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นทำให้เกิดจิตที่ตั้งมั่นจากจิตที่ตั้งมั่นพัฒนาต่อไปเอาจิตที่ตั้งมั่นไปดูขันมันจะเห็นว่าจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่จิต ความสุขความทุก์เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่จิตความดีความชั่วโลภโกรธหลงเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่จิตอย่างนี้ยเรียกว่าแยกขันได้ออขันแต่ละขันเนี้ยมีสภาวธรรมย่อยๆเยอะแยะอย่างสังขารขันนันความปรุงแต่งของจิตมีทั้งที่ดีมีทั้งที่ชั่วชั่วก็แยกเป็นสามกลุ่มใหญ่ๆโลภโกรธหลงโลภก็ยังแยกได้อีกหลายอย่าง ลักษณะของจิตที่โลภลักษณะของจิตที่โกรธเนีย่ยแยกได้อีกหลายอย่างมีงจิตที่ขี้ฉาลักษณะความอิจชาน์อยู่ในตระกูลโทสะนะลักษณะความตรณีหวงแหนเราเรียกว่าโลภะเวลาจิตเกิดความรู้สึกหวงแหนจิตมีความทุกข์มันอยู่ในตระกูลโทสะเราจะเห็นสภาวธรรมจำนวนมาก ทั้งหมดมันเจ็ดสบ็ดตัวแต่เราไม่ต้องรู้ทั้งหมดหรอกเห็นเท่าที่เห็นได้แต่การที่ใจเราเป็นคนดูใจเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยขันมันแยกออกไปนะแต่ละขันนั้นที่มีสภาวธรรมเยอนะแยะอย่างเวทนาขันก็ยังแยกได้อีกมีสุขมีทุกข์มีเฉยเฉยแยกละเอียดต่อไปอีกก็ยังได้ สุขที่เกิดเพราะมีสิ่งเร้าสุขที่เกิดขึ้นโดยไม่มีสิ่งเร้าอะไรเงี้ยไม่ต้องเรียนละเอียดขนาดนั้นก็ได้แค่สุขก็รู้ทุกก็รู้นะง่ายง่ายสังขารความโลภมันก็อย่างหนึง่งความโกรธมันก็อย่างหนึง่งความหลงมันก็อย่างหนึ่งมันไม่เหมือนกันเนี่ยแต่ละตัวมันเป็นสภาวะนะสภาวะปียินะ่เป็นตัวสภาวะ มีลักษณะเฉพาะของตัวเองลนะักษณะเฉพาะของตัวเองนีภาษาบาลีเรียกว่าวิเศษลักษณะเราไม่ต้องไปจำมันหรอกภาษาไทยลักษณะเฉพาะตัวอย่างความโกรธก็มีลักษณะเฉพาะตัวของความโกรธมันพุ่งขึ้นมาแล้วแม่มันอรารวาดใหญ่เลยความโลภก็มีลักษณะเฉพาะตัวของความโลภเกิดขึ้นมาแล้วแ ม, ม่มอยัก ดึงอันนูน้นดึงอันนี้เข้ามาหาตัวเองความฟุ้งซ่านก็มีลักษณะเฉพาะตัวความสุขก็มีลักษณะเฉพาะตัวความทุกข์ก็มีลักษณะเฉพาะตัวเนื่อการที่จิตเราตั้งมั่นเราไปจะเริ่มเห็นสภาวธรรมจำนวนมากสภาวะอะไรเกิดขึ้นสติของเราลืกรู้บางอย่างเกิดขึ้นมาแต่ว่าไม่เคยรู้จักไม่รู้คืออะไร ดูซ้ำๆไปหลายๆรอบนะหลายๆวันเดี๋ยวก็เข้าใจว่านี่คือตัวอะไรบางอย่างเราไม่เคยเห็นไปผุดขึ้นมาดูไม่ออกว่าตัวอะไรดูไปหลายๆวันก็รู้โอตัวนี้เองนีหัดรู้ว่าดูไปนปะพอจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วก็แยกขันแยกสภาวะออกมาแยกขันแยกสภาวะแล้วมจะได้อะไรต่อไป ก็จะสามารถเห็นว่าแตรละสภาวะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ตรละสภาวะมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความถูกบิบคั้นให้แตกสลายมีแต่ของบังคับไม่ได้มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้สภาวะทำทุกทุกตัวเลยนะโยเวนิพานอย่างเดียวเท่านั้น น, ะนอกนั้น ตกอยู่ใต้ใตรลักทั้งหมดเลยความสุขก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ไม่เที่ยงความสุขยังดำรงอยู่ก็กำลังถูกบีบคั้นให้หมดไปสิ้นไปความสุขจะอยู่หรือจะดับเราสั่งไม่ได้อยู่ที่เหตุปัจจัยที่ทาให้ความสุขเกิดขึ้นนี่เราจะเริ่มเห็นสิ่งเหล่านี้สภาวะทั้งหลายตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์แต่ละตัวแต่ละตัวตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ ไตรลักษณ์มันเลยเกิดขึ้นกับสภาวะทุกๆตัวนะยกเวน้นปณิพันธ์ก็เลยเรียกว่าสามั ญ, ญลักษณะลักษณะสามัญภาษาไทยแปลให้ฟังรู้เรื่องก็คือเป็นลักษณะร่วมของสิ่งที่เราปรุงแต่งทั้งหลายเป็นลักษณะร่วมกับลักษณะเฉพาะตัวลักษณะเฉพาะตัวเนี่ยแต่ละตัวไม่เหมือนกัน แต่ทุกตัวมีลักษณะร่วมกันว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่เดิมเรารักสุขเกลียดทุกข์รักดีเกลียดชั่วอันนี้สำหรับคนดีนะถ้าสำหรับคนไม่ดีก็รักสุขเกลียดทุกข์รักชั่วเกลียดดีมีไม่ใช่ไม่มีอยู่บ้างๆไม่ได้นะต้องโมโหโทโสแล้วมีความสุข เรายังไม่สามารถเห็นว่าสุขและทุกข์ดีและชั่วเสมอกันเพราะแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันแต่การที่เราสามารถภาวนาจนเราเห็นสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงเห็นซ้าแล้วซ้อีกในที่สุดจิตมันจะรู้ความจริงสุขกะทุกข์มันเท่าเทียมกันนะด้วยความเป็นไตรลักษณ์ดีและชั่ว มันก็เท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์จะดีวิเศษแค่ไหนสุดท้ายก็ดับจะชั่วแค่ไหนสุดท้ายก็ดับจะสุขแค่ไหนสุดท้ายก็ดับจะทุกข์แค่ไหนสุดท้ายก็ดับเมื่อมันเห็นมันถึงตรงนี้แล้วเนี่ยจิตมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางเมื่อมันจะเห็นเวลาความสุขเกิดขึ้นนะสติปัญญามันแก่กล้ามนรู้ของชั่วคราวไปหลงอะไรกับมันนักหนา จะไปหิวโหยอะไรกับความสุขนะพวกเราหิวความสุขนะเพราะเราเห็นว่าสุขกับทุกข์มันมีค่าไม่เท่ากันแต่ถ้าเราเห็นสามัญลักษณะเห็นไตรลักษณ์สุขก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทุกข์ก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์มันเท่าๆกันด้วยควาเป็นไตรลักษณ์มันจะไม่รักสุขมันจะไม่เกลียดทุกข์มันจะไม่รักดีมันจะไม่เกลียดชั่วมันจะเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องจิตเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างด้วยปัญญาอย่างยิ่งที่เห็นไตรลักษณ์มานี้ซ้าแล้วซ้าอีกเรียกว่าเป็นกลางด้วยสังขารูป้เปกขาญาณญาณคือตัวปัญญาสังขารูป้เปกขาคือสังขารกับอุปเบกขามีปัญญาจนเป็นกลางต่อความปรุงแต่นทั้งหลายทั้งปวงสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่ว ใจเข้าไปสัมผัสแล้วก็ไม่ได้กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงนี่ใจเป็นกลางตามใดที่ยังไม่เห็นถึงตรงนี้นะใจก็จะรักสุขเกลียดทุกข์รักดีเกลียดชั่วงเราไปเรื่อยๆพอรักสุขก็เที่ยวแสวงหาความสุขความสุขเกิดขึ้นก็พยายามรักษาไว้ความสุขดับไปก็เศร้าโศกเสียดายความทุกข์ยังไม่เกิดก็กลัวมันจะเกิด มันเกิดแล้วก็อยากให้มันดับไปมันดับไปแล้วก็อุ๊ยดีอกดีใจแล้วก็กังวลว่ากลัวมันจะเกิดอีกพวกเราเคยไหมเวลาปัญหาหนึ่งผ่านไปแล้วเราก็ยังกังวลกลัวมันกลับมาอีกเนี่ยทำไมใจเราต้องแกว่งไปแกว่งมาแบบนี้แขว่งขึ้นแขวงลงเดี๋ยวฟูเดี๋ยวแฟบตลอดเวลาเพราะเราเห็นสภาวะแต่ละสภาวะนะั้นมันไม่เท่าเทียมกัน สุขมันก็ดีกว่าทุกนะดีมันก็ดีกว่าชั่วมันก็เลยรักสุขเกลียดทุกนะรักดีเกลียดชั่วใจก็เกิดความดิ้นรนเพื่อจะให้ได้สิ่งที่พอใจดิ้นรนเพื่อจะให้พ้นจากสิ่งที่ไม่พอใจความดิ้นรนของใจนะั้นเรียกว่าภพมีความดิ้นรนของใจเมื่อไรก็มีทุกเมื่อ น, นั้น นี่เราจะภาวนาไปเรื่อยนะจะ เ, เห็นสุขทุกข์ดีชั่วล้วนแต่ตกอยู่ได้แตรลักเท่าเทียมกันมีไหมสุขอมาตะไม่มีทุกขอมาตะาก็ไม่มีดีอมาตะาก็ไม่มีชั่วอมาตะก็ไม่มีเงินความที่จะชอบอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งเนี่ยจะค่อยๆลดลงลดลงลดลงในที่สุดก็เข้าถึงความเป็นกลางถ้าปัญญาเป็นแก่กล้าจริง จะไม่ได้หลงรักดีเกลียดชั่วรักสุขเกลียดทุกข์อะไรอย่นี้เสมอกันสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นจิตก็สักว่ารู้ว่าเห็นเนี่ยพวกนักปฏิบัตินะชอบพูดสักว่ารู้ว่าเห็นเยอะเลยชอบใช้คานี้หลวงพ่อเห็นหน้าหลวงพ่อพก็รู้เลยมึงไม่ได้สักว่ารู้ว่าเห็นหรอกวมึงหลงว่าสักว่ารู้ว่าเห็นหลงเอาจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้น จะสักวรู้ว่าเห็นได้นะใจต้องถึงได้สังขารูเ้เปกขายานจเจริญมีปัศนาไปจนเห็นความปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างทั้งดีและชั่วทั้งสุขและทุกตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันมันจะไม่กระเพื่มไม่ดิ้นรนสแสวงหาสุขไม่ดิ้นรนหนีความทุกข์ไม่ดิ้นรนสแสวงหาความดีไม่ดิ้นรนหนีความชั่วใจมันหมดความดิ้นรน ใจมันหมดความดิ้นรนนะจิตมันก็จะหลุดออกจากภพมันพ้นไปเองจากภพมนะันจะเข้าถึงโล ก, กุตระเกิดอริยมรรคอริยผลขึ้นเองสังขารู้เป็นขา ย, ยานคือสภาวะที่จิตมีปัญญาจนเป็นอุเบกขาต่อความพรุงแต่งต่อสิ่งปรุงแต่งทั้งปวงทำให้จิตไม่ดิ้นรนปรุงแต่งต่อจิตก็พ้นจากความปรุงแต่งพ้นจากความอยาก ผลจากความหิวโหยสิต ท, ที่สิ้นตัณหานะสภาวะที่สิ้นตัณหากนะ็คือตัวพระนิพพานโลกุตระธรรมก็จะเกิดขึ้นโลกุตระชนิดที่เป็นมรรคผลนะจะเกิดขึ้นตรงที่จิตเข้าถึงความเป็นกลางอย่างแท้จริงนั่นแหะนะถัดจากความเป็นกลางกนะ็จะเริ่มเข้าสู่โปรเซ s สู่กระบวนการของอริยมรรคอริยผล อริยมรรคอริยผลเป็นโลกุตรธรรมนะแต่เกิดระดับโลกุตรธรรมมีเก้าอย่างสดาปฏิมรรคสวดาปฏิผลสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตมรรคอรหัตผลแปดอย่างพวกนี้เกิดระดับอริยมรรคทั้งหลายเกิดขึ้นช่วขณะจิตเดียวก็ดับ อริยผลเกิดขึ้นสองสามขนาดจีตแล้วก็ดับสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับมีอย่างเดียวนนั้คือพระนิพพานพรอแจ้นพระนิพพานนราจะถึงเข้าถึงสภาวะที่ไม่เกิดไม่ดับไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่เกิดไม่ดับเป็นอารมณ์สุขเป็นความว่างว่างไม่ใช่ว่างเปล่าอย่างพวกเรานั่งกันอยู่เต็มห้องเนี่ยถ้าคนที่จิตเข้าถึง ทำที่สูงสุดอย่างนั้นแล้วเนี่ยมองออกมาเนี่ยจะรู้เลยในนิว่างนั่งกันอยู่เต็มห้องเนี่ยว่างว่างเปล่าไม่มีอะไรคแค่ส่วนหนึ่งธรรมดาของโลกเท่านั้นเองโลกนี้ก็ว่างเปล่าอะไรๆก็ว่างเปล่าแต่ถามมีคนมีสัตว์มีอะไรไม่มีมีโดยสมมติ แต่โดยสภาวะจิตใจที่เข้าถึงธรรมแท้พอนทุกพ้นความปรุงแต่งสิ้นเชิงแล้วเนี่ยอยู่กับคนเป็นแสนเป็นล้านอย เ, เหมือนอยู่ในความว่างเปล่าไม่เดือดร้อนอะไรจิตใจก็เหมือนดินจิตใจเหมือนน้ำจิตใจเหมือนลมจิตใจเหมือนไฟดินเป็นยังไงอย่างดินเนี่ย เราเอาไปสร้างซ่วมนะดินก็ไม่ว่าเอาไปสร้างพระเจดีย์ดินก็ไม่ได้ดีใจด้วยดินเป็นกลางต่อสุขและทุกข์ต่อดีและชั่วน้านะ่ะน้ำเอาไปรดน้ำศกน้ำก็ไม่รังเกียจน้ำที่รดศกแล้วพวกเรารังเกียจไหมพวกเรารังเกียจ น้ำเอาไปแหมพรสมน้ํามนต์แย่งกันก็ไอ้น้ําก็บอกเดียวกันแหละเอาไปร้อนน้ำโสมนะพวกพวกเราลังเกียจไปทําเป็นน้ํามนต์ทำเป็นอะไรพวกเราแย่งกันน้ําไม่ได้ดีใจน้ําไม่ได้เสียใจด้วยเลยน้ําจะไหลผ่านสิ่งสาหาสหรือสิ่งโสมปลุกน้ําก็ไม่เดือดร้อนไม่กระเพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงนะใจที่ฝึกดีแล้วก็อย่างนั้นนหะ ใจที่ฝึกดิแล้วก็เหมือนไฟจะเผาสิ่งสะอาดหรือเผาศพอะไรเงี้ยสิ่งสบรกก็เหมือนกันไม่ได้เดือดร้อนจิตที่หลุดพ้นแล้วก็เหมือนลมพัดผ่านสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่โสบรกพัดผ่านดอกไม้หอมหรือพัดผ่านสิ่งที่โสบรกลมก็ยังเสมอภาคกันอยู่อย่างนั้น เพราะจิตที่ฝึกสุดฉีดแล้วเนี่ยมันเข้าถึงความเสมอภาคนะไม่มีรักอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งอะไรชอบอันหนึ่งชังอันหนึ่งอยากได้อันนี้อยากไล่อันนั้นไม่มีมันสงบมันสันติอย่างแท้จริงสันติเป็นลักษณะของพระนิพพานถ้าคนถามเราว่านิพพานมีลักษณะยังไงอย่างโกรธเนี่มีลักษณะยังไงไหมรุนแรงทําลายล้างอะไรอย่างนี้ย ถ้าร้อนนี้พานมีลักษณะสงบสันติเข้าถึงความสงบสุขโลกทั้งโลกสงบไม่ต้องไปดิ้นรนเรียกร้องอิสระภาพเสรีภาพสันติภาพที่ไหนไม่ต้องไปเรียกร้องเนี่ยในโลกไม่มีหรอกสันติภาพในโลกไม่มีเสรีภาพเสมอภาคอะไรไม่มีจริงหรอก คนแต่ละคนมันเสมอภาพกันได้ยังไงแต่ละคนมันไม่เหมือนกันกรรมจาแนกคนออกมาไม่เหมือนกันให้มันเหมือนกันไม่ได้บางคนฉลาดบางคนโง่ อ, งอย่างเงี้ยเสมอภาพกันจะให้ทุกคนเป็นหมอมันเป็นไปได้เหรอมันเป็นไปไม่ได้แล้วมันผิดธรรมชาตินะธรรมชาตินะี่อย่างฝูงสัตว์มันฝัดฝูง ใ, ใหญ่ๆมีหัวหน้า ไม่ได้มีสัตว์ฟูงไหนที่ปกครองได้เสียงข้างมากเลยธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นคนเราก็มีอุดมคตนะิอยากจะให้เสมอภาคกันทั้งหมดองนะี้ซึ่งมันผิดกฎแห่งกรรมมันเป็นไปไม่ได้บางคนชั่วบางคนดนะีบางคนฉลาดบางคนโง่ไม่เหมือนกันนี้ทุกคนมีคุณค่าเพียนงะแต่ว่า แต่ละคนแตกต่างกันก็ทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้เหมาะสมจะทำอะไรเลยที่เป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมก็ทำไปอย่างนี้ไปพัฒนาใจตัวเองได้คนโง่ ก, ก็ภาวนาได้คนฉลาดก็ภาวนาได้คนดีก็ภาวนาได้คนชั่วก็ภาวนาได้แต่ว่าถ้าชั่วเยอะหน่อยก็ใช้เวลาเยอะหน่อยในการเรียนรู้ให้เห็นโทษของกิเลส คนดีก็ใช้เวลาเหมือนกันจะได้ต้องไม่ติดดีอย่างดีแล้วก็ติดดีก็เสียเวลาอีกต้องศึกษาอีกแต่ถ้าเราทําอย่างที่หลวงพ่อบอกนะฝึกตัวเองเพืนใจมันตั้งมั่นทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งพอใจเราไหลแปแเรารู้ใจเราไหลไปรู้เราจะได้จิตที่ตั้งมั่นพอมีสิทธตที่ตั้งมั่นเป็นเครื่องมือเราก็จะเห็นขันมันแยกได้เห็นสภาวธรรม จำนวนมากเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหเห็นไตรลักษณ์ของทุกสิ่งทุกอย่างหเห็นไตรลักษณ์ของทุกสิ่งทุกอย่างในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างก็เสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์สุขและทุกข์ดีและชั่วไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเป็นของชั่วครั้งชั่วคราวใจเข้าถึงความเป็นกลางใจก็ไม่ดิ้นรนหมดสัรหาหมดความดิ้นรน ใจกเข้าถึงสันติสุขคือพระนิพพานนิพพานของเราเนี่ยไม่จาเป็นต้องตายนะไม่ใช่ตายแล้วไปเข้าพระนิพพานนะนิพพานตั้งแต่ยังไม่ตายถึงพระนิพพานตั้งแต่ยังไม่ตายเนี่ยเราบรรลวงพระอรหันต์เมื่อไหร่นะเราถึงพระนิพพานแล้วโดยที่ยังขันยังไม่น่าจะแตกจะดับเลยขันเป็นส่วนของขัน จิตที่เข้าไปสัมผัสพระนิพพานเป็นอีกส่วนหนึ่งพระนิพพานไม่ตายไม่เกิดด้วยจะไม่ใช่เหมือนรอริยมรรยพุนนะเกิดเกิดขึ้นรลดับไปนะฝึกตัวเองไปหนะ้าในสุดจิตเราก็มีความสุขสงบสงัดท่ามกลางความวุ่นวายของลอกจิตใจเราก็สงบสงัดอยู่ได้ ไม่กระเพิ่มหวานไว้ไม่กระเพิ่มขึ้นไม่กระเพิ่มลงไม่มีความทุกข์พยายามฝึกตัวเองไปเรื่อยๆอาจจะไม่บรรลุมรรคผลในวันนี้พรุ่งนี้ฝึกไปเรื่อยๆบางคนก็เจ็ดเดือนสามเดือนเจ็ดเดือนสามปีเจ็ดปีอะไรเงี้ยยังไม่บรรลุอีกก็ทํำไปอีกอินทรีย์เรายัางไม่พอ มันเป็นกฎแห่งกรรมยุทธธรรมที่สุดสะสมบา ร, รมีมายังไม่พอต้องใช้เวลาสะสมอีกถ้าใจเราเด็ดเดี่ยวในการฝึกตัวเองก็สะสมได้เร็วถ้าใจเราอ่อนแอย่อท้อท้อแท้ปวกเปียกก็สะสมได้ช้าถ้าไม่พยายามภาวนานเลยก็คือไม่ได้สะสมเลยแต่ไปสะสมกิเลสแทนยิ่ง ต่อไปข้างหน้ายิ่งปฏิบัติยากขึ้นยากขึ้นเพราะสะสมกิเลสจนเคยชินเพื่อ น, นถึงพวกเราจะบรรลุมรรคผลในชีวิตนี้หรือไม่นไม่สำคัญหรอกนะมันยุติธรรมแล้วหน้าที่ของเราก็คือเมื่อมีธรรมะของพระพุทธเจ้ายัางดำรงอยู่ก็พากเพียนปฏิบัติไปรักษาศีลห้าไว้แบ่งเวลาไว้ปฏิบัติทุกวันทาในรูปแบบ เวลาที่เหลือมีสติอยู่ในชีวิตประจำวันฝึกตัวเองไปเรื่อยๆสภาวะคือกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันความสุขความทุกข์เกิดขึ้นรู้ทันดูมันไปเรื่อยๆก็เห็นไตรลักษณ์ของทุกสิ่งทุกอย่างนี่จพ้นทุกข์ได้พ้นทุกข์แล้วเราจะรู้เลยว่าโลกนี้หาสาระอะไรไม่ได้โลกนี้หลอกได้แต่คนโง่โลกนี้หลอกได้แต่คนหลง หลบบัณฑิตไม่ได้หลบผู้รู้ไม่ได้ผู้รู้ก็คือผู้ที่ผ่านการฝึกตนเองมาอย่างดีแล้วในการเริ่มต้นก็ฝึกรักษาศีลฝึกจิตใจให้มันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนั่นคือการฝึกสมาธิฝึกแยกขันธ์ฝึกเห็นขันธ์มีสภาวะต่างๆนะ แต่ละตัวแต่ละตัวเยอะแยะสภาวะธรรมทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวตกอยู่ใต้ใจรลักษณ์อย่างนี้เรียกว่าทำวิปัสนาตรงที่แยกขันได้ยังไม่ขึ้นวิปัสนานะตรงที่เห็นสภาวะแต่ละตัวแต่ละตัวแสดงไตรลักษณ์โลภแสดงไตรลักษณ์โกรธแสดงไตรลักษณ์อะไร อ, อันนั้นลราถึงจะเป็นวิปัสนาถ้าทำวิปัสนาในที่สุด จิตกาสู่ความเป็นกลางเพราะว่าผ่านการดูไตรลักษณ์มาช่ำชองแล้วจิตเป็นกลางจิตข็หมดความนีน่นล่นปรุงแต่งจิตเขาเข้าถึงธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งคืออาศังคาตะธรรมธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งหลักสูตรของพระพุทธเจ้าเป็นแบบนี้เส้นทางเดินเป็นแบบนี้บอกให้แล้วจะเดินก็เดิน ไม่เดินหลวงพ่อก็อุเบกขาถ้าเดินหลวงพ่อมุติตาด้วยยินดีด้วยมุติตาเพราะอินดีชื่อหลวงพ่อเนี่ยก็คือคําว่ามุติตานะนะั่ยป่าโมดเนี่ยประโม ด, นะโมดลากซําคือประมุตนดะประมุดทะอูแผงเป็นโอเป็นโมนะตัวเดียวกับคำว่าอนุโมทนาเนหละนะอนุเติมมาไปเพราะว่า ยินดีตามพ่อไปงั้นถ้าพวกเราขยันภาวนานหะลวงพ่อก็นุ่โมทนาพวกเราไม่ภาวนาหลวงพ่อก็อุบเบกขาหลวงพ่อไม่ทุกข์ด้วยหร อ, อกนะ <c oughs> สมควรแก่เวลาหมายเลขสิบเอ็ดค่ะส่งการบ้านครั้งที่สองหลังจากไม่ได้ส่งมาสี่ปีเพราะคุณแม่ป่วยเป็นมะเรง็ง แต่ก็ได้ฟังหลวงพ่อและมันปฏิบัติตามตลอดจนตอนนี้แม่จากไปแล้วก็ใช้สภาวะทุกโศกเศร้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติจนวันนี้รู้สึกติดขัดในเรื่องการทำสมาธิที่ปกติทำในรูปแบบโดยอาณาปานสติมีพุทโธแต่ชอบดิ่งหลับไม่ตั้งมั่นจากนั้นพอรู้ตัวก็เผลอไปเพ่งจนแน่นสลับไปมา จึงอยากขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยแนะนำลูกครับหัดใหม่ๆมันก็เป็นอย่างนั้นแหละที่มันแน่นเพราะเราอยากดีแล่อที่มันหลับนะพอาก่อนที่จะมาภาวนาเราฟุง้งถ้าเราฟุ้งซ่านมากจิตมันต้องการพักผ่อนบอ ไ, ไปนั่งสมาธิมันก็หลับพอหลับตื่นขึ้นมา เรากิ ujti ว่าเราไม่ได้ภาวนาเราก็เร่งความเพียรอยากปฏิบัติใหญ่เลยก็เร่งเพง่งกลายเป็นเพ่งไปทางที่ดีนะพยายามมีสติอยู่ในชีวิตธรรมดานี่ให้มากเราแบ่งเวลาไว้ถ้าทำได้นะแต่ละชั่วโมงเบรกตัวเองสักห้านาทีก็ยังดีถ้าชั่วโมงหนึ่งไม่ไม่ไม่ว่างมีงานที่ต้องคิดต้องทำตอ่อเนื่องก็เว้นไปไม่เป็นไร มีเวลาว่างเมื่อไหร่สักห้านาทีสิบนาทีอะไรเนี่ยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างการที่เราคอยเก็บเล็กเก็บน้อยในแต่ละวันแต่ละชั่วโมงนะจิตเราจะเริ่มมีแรงไปนั่งกลางคืนมนจะไม่หลับถ้ากลางวันฟุ้งตลอดมาสิบชั่วโมงสิบสองชั่วโมงเนะียกลางคืนนั่งยังไงก็หลับ เจิตมันล้าเต็มทีแล้วงั้นะถ้าไม่อยากนั่งหลับกลางวันเนี่ยเก็บเล็กเก็บน้อยมีห้านาทีทํามีสามนาทีทํำนะหลวงพ่อก็ทําอย่างนั้นแหละอย่างหลวงพ่อเมื่อก่อนนะหลวงพ่อจะฝึกตัวเองด้วยการกินน้ําเยอะๆกินน้ําเยอะๆแล้วจะปวดฉี่บ่อยๆนะชั่วโมงหนึ่งพยายามถ้าไม่มีงานติดพันนะ ก็จะลุกจากโต๊ะทางานไปชี่ตอนลุกขึ้นมาเดินไปเนี้ยดูจิตไม่ได้คิดงานซะหัวหมุนไปหมดละดูจิตไม่รู้เรื่องดูกายมันเดินไปดูกายมันชี่พอี่ใส่รัศมีใจเดินกลับมาเนี้ยดูจิตกลับมาได้แล้เนี่ยฝึกเก็บเล็กเก็บน้อยนะกินข้าวก็ฝึกนะแต่ไม่ใช่นั่งเครียดนะกินเครียดเครียดไม่ใช่ธรรมดาที่สุดเลย แล้วตามรู้ตามดูในระหว่างวันเนี้ย่เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดานั่งสมาธิไม่หลับหรอกวิธีไม่หลับทั้งคืนเลยครวนี้คลุ่มใจอีกแล้วทำไงมันไม่ยอมหลับ <c oughs> ถ้าใจเราฟุ้งซ่านมันจะหลับพอตื่นขึ้นมาก็กังวลใจว่าไม่ได้ปฏิบัติก็เพ่งเพ่งเข้าว่าอยากปฏิบัตินะอยากดีอยากรู้ตลอดเวลาแก้ที่ต้นเหตุ แก้การหลับในะการเก็บเลขเก็บน้อยแก้การเพ่งด้วยการโลทันว่าเนี่ยม็นอยากปฏิบัติทำอย่างนี้ก็จะผ่านได้นะหมายเลขยี่สิบแปดค่ะปฏิบัติ ด, ด้วยการดูจิตมาหนึ่งปีสิบเดือนจิตนี้เป็นอนัตตาทำงานรวดเร็วเปลี่ยนแปลงตลอดวันเห็นจิตกุศลอกุศลตามหลังจิตที่หลงไปคิดตามผัสสะที่กระทบ เห็นว่าถ้าเรามีความอยากจิตจะมีแรงดันพุ่งขึ้นมา mm. เห็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังคำพูดและการกระทาเห็นกิเลสยังอยู่ครบทั้งสามตัวเผลอคิดแล้วรู้เผลอคิดแล้วรู้โดยอาศัยคณิกะสมาธิหลวงพ่อบอกให้อดทนรู้อดทนดูเพราะต่อไปนี้จะเห็นอยู่เท่านี้ ขอถวายการปฏิบัติแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตลอดชีวิตที่เหลือขอโอกาสหลวงพ่อชี้แนวทางต่อไปค่ะขณะนี้จิตไม่ถึงฐานรู้ไหมรู้ไม่รู้ดูออกเปล่าถ้าดูออกไม่เป็นไรนะถ้าดูไม่ออกหลวงพ่อจะได้แก้ให้รู้สึกไหมจิตมันกว้างๆออกข้างนอกจิตมันม่นอยู่ที่หลวงพ่อรู้สึกไหมลืมหลวงพ่อซะ แล้วก็ยืนหายใจสบายๆไปแอบไปคิดแล้วสมาธิไม่พอนะทำในรูปแบบหายใจไปพุทโธไปแล้วจิตเคลื่อนรู้ว่าจิตเคลื่อนรู้ไปจิตมันไม่ยอมเข้าฐานพอจะถอยมาแล้วฉแฉลบออกตลอดเวลาเลย มันเข้ามาไม่ได้รู้สึกหรือเปล่าเนี้ยเมื่อสมาธิหนูไม่พอนะงั้นการพิจารณาธรรมะด้วยจิตชนิดอย่างนี้มันคือความฟุ้งซ่านมันไม่ใช่ธรรมะที่สู้กิเลสงั้นเราต้องปรับจิตให้มันแข็งแรงกว่านี้ก่อนนะให้จิตมันเข้าฐานตั้งมั่นโดยที่เราไม่ต้องรักษากรหายใจผปด้วยใจสบาย มันเริ่มเข้ามาแล้วรู้สึกไหมดูออกปล่าดูออกนั่งลงหมายเลขสามสิบสามค่ะหลังจากที่กราบเรียนหลวงพ่อว่า อ, อนั่งลงได้หมอให้ไปผ่าตัดแล้วได้ไปผ่าตัดตามที่หลวงพ่อบอกได้เร่งความเพียรมากขึ้น อ, อยากกราบเรียนขอกันบ้านหลวงพ่อเจ้าค่ะไม่สบายน้ำก็ภาวนาได้นะ ร่างกายไม่สบายเนะถ้าใจเราไม่หวั่นไหวก็ภาวนาไปดู ก, กายมันทุกข์ใจไม่ทุกข์ด้วยเวลาจิตใจมันวุ่นวายเราอยู่กับคนที่เราไม่พอใจอะไรจิตใจวุ่นวายมันก็ภาวนาได้เราก็เห็นไปใจเรามีความอยากใจเราก็มีความทุกข์เพราะฉะนไม่ว่าในสภาวะอะไรเราก็ภาวนาได้ทั้งนั้นแหละถ้าเราภาวนาเป็น เราจะไม่ร่ําร้องว่าจะต้องมีเงื่อนไขยอย่างนี้เราถึงจะภาณนาได้ฝึกตัวเองจนเราพาวนาได้ในทุกทุกสภาวะทุกๆุกที่ดีเข้มแข็งกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยเมื่อก่อนเนี้ช่างลําพันธ์รู้สึกไหมช่างอ่อนนะตอนนี้เข้มแข็งขึ้นดีหมายเลขห้าสิบหกค่ะ ตอนนี้ทุกอย่างติดขัดไปหมดเป็นทุกข์ปฏิบัติได้บ้างทำอย่างไรถึงจะอยู่ในสภาวะที่มีความสุขสบายใจพอที่จะปฏิบัติได้ดีขึ้นอ <frequencies primary> <flavored> ตอนนี้ทุกอย่างติดขัดไปหมดเป็นทุกข์และปฏิบัติได้บ้างทำอย่างไรถึงจะอยู่ในสภาวะที่มีความสุขสบายใจพอที่จะปฏิบัติได้ดีขึ้น ต้องแปลใช่ไหมอันนี้กฟังไม่ออกเวลามีความทุกข์่าอยากหนีจากมันหลักธรรมะของพุทธเจ้านะสอนให้เรารู้ทุกข์เรียนรู้ทุกข์จนใจเป็นกลางต่อความทุกข์ใจที่เป็นกลางต่อความทุกข์มันจะไม่ทุกข์ต่อไปอย่างร่างกายเราเนี่ยมีความทุกข์แต่ใจที่เราฝึกดีนะ ร่างกายก็ส่วนร่างกายจิตใจก็ส่วนจิตใจไม่ทุกเราไม่ทุกลึก อ, อารมณ์ต่างๆเข้ามาบรบกวนทําให้จิตใจเรามีความทุกข์แต่จิตใจเราเป็นแค่คนรู้คนดูอยู่อารมณ์ทั้งหลายมันไม่ใช่จิตใจเราจิตใจเราไม่ได้ไปทุกข์ด้วยเ้นการปฏิบัติธรรมนี่ยไม่ใช่มุ่งละความทุกข์ไม่ช่วยมุ่งสแสวงหาความสุข แต่เราสามารถอยู่กับความทุกข์นะแล เ, เห็นความจริงว่ามันเป็นของซึ่งมีอยู่เราไล่มันก็ไม่ได้ความทุกข์อาจจะอยู่ที่ร่างกายอยู่ที่สิ่งแวดล้อมนะมีปัญหาเกิดขึ้นในร่างกายมีปัญหาเกิดในสิ่งแวดล้อมแต่ความทุกข์มันอยู่ที่ใจเราเท่านั้นเองถ้าใจเราปฏิเสธปัญหาทั้งหลายที่กำลังมีอยู่ใจเราจะทุกข์ไปด้วย แต่ถ้าใจเรารู้ว่าปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างทั้งทางร่างกายทั้ง p h y ิ i c a โ ค, โคทั้งทางนามธรรมเป็นของข้างนอกเป็นของถูกรู้ถูกดูบังคับไม่ได้ใจไม่ไปหลงยินดียินร้ายกับสภาวะทั้งหลายทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมใจมันจะไม่ทุกข์นะใจจะมีอิสระแล้วก็มีความสุขอันมหาศาลเกิดขึ้นในใจของเรา ร่างกายก็ยังทุกไปตามธรรมชาติของร่างกายให้จิตใจมีความสุขคนที่เราไม่ชอบก็ยังอยู่อะไรเงี้ยสิ่งที่เราไม่ชอบก็ยังอยู่แต่ใจเรามีความสุขเพราะฉะการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะหนีทุกข์แต่ปฏิบัติเพื่อจะอยู่กับความทุกข์ได้โดยไม่ทุกข์ไปด้วยใจเราจะเหมือนดอกไม้ดอกบวัวอยอยู่ในน้ำอยู่ในโคลนแต่ไม่เปื้อนน้าไม่เปื้อนโคลน จะฝึกตัวเองให้เห็นในทุกของนขางนอกใจเราเป็นแค่คนดูไม่ได้ทุกข์ด้วยหรอหมายเลขเจ็ดสิบสามค่ะแปลทันไหมส่งการบ้านหลวงพ่อครั้งแรกปฏิบัติในรูปแบบแล้วเห็นว่าฟุ้งมากหุดหงิดอยากดีเลยเปลี่ยนเป็นนอนแล้วบริกรรมพุทโธกำกับ รู้สึกสบายตัวกว่าเพราะไม่คาดหวังผลในระหว่างวันรู้สึกตัวไม่บ่อยรู้ว่าตัวเราเองขี้เกียจ ด, ดูสภาวะแล้วหงุดหงิดขอหลวงพ่อช่วยแนะนำการปฏิบัติเพื่ อ, อให้มีความเพียรมากขึ้นค่ะมือหงุดหงิดคนอื่นด้วยมือหงุดหงิดตัวเองด้วยอนะเนาะหงุดหงิดตัวเองว่าขี้เกียจไม่ปฏิบัติอย่างงี้ แต่พอปฏิบัติขงุ่นยีเด็กไม่สงบเราตั้งเป้าของการปฏิบัติไว้ยุ่งยากเกินไปปฏิบัติเนี่ยเราอยากเห็นกายอย่างที่กายเป็นอยากเห็นใจอย่างที่ใจเป็นไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อให้จิตใจมีความสุขมีความสงบมีความดีนะถ้าอยากปฏิบัติให้จิตใจสงบเนี่ยไม่สงบหรอกอยากให้จิตใจมีความสุขไม่มีความสุขหรอก อยากให้จิตใจดีไม่ดีหรอกทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะตัวอยากนะเป็นตัวสมุทไทยเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์อยากทีไรก็ทุกข์ทุกทีไรอยากดีก็ทุกข์อยากสุขก็ทุกข์อยากสงบก็ทุกข์เพราอนการภาว น, นาเนี่ยอย่าเริ่มต้นด้วยการหวังว่ามันจะดีมันจะสุขมันจะสงบตั้งอกตั้งใจปฏิบัติไปมีสติอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อย หายใจออกรู้สึกตัวให้ใจเข้ารู้สึกตัวไปเรื่อยๆถือว่าเราปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้าไม่ได้หวังผลตอบแทนไม่ได้หวังผลว่าจะต้องดีจะต้องสุขจะต้องสงบถ้าทําด้วยการหวังผลไม่มีวันสงบหรอกมีแต่ทุกนะเพราะความอยากเป็นตัวสมู ท, ทยัยผลนั้งมันคือตัวทุกไปปรับมุมมองซะแล้วการภาวนาจะง่าย หายใจไปสงบก็รู้หายใจไปฟุ้งซ่านก็รู้เนี่ยไม่ใช่หายใจไปเมื่อไหร่จะสงบไม่สงบเลยโมโหโเลยอันนีน้นี่เราเราตั้งเป้าผิดไปไปปรับทัศนะใหม่นะเลเจ็ดสิบสี่ค่ะปกติดูร่างกายเป็นหลกักสะสมไปเรื่อย บางขณะจิตตั้งมั่นขึ้นมาก็จะเห็นสภาวะทมทำงานแป๊บหนึ่งทำรูปแบบทุกวันตอนนี้ถ้าติดขัดตรงไหนหลวงพ่อช่วยบอกด้วยครับที่ทำอยู่ก็ใช้ได้นะอยู่ที่ทำไปเรื่อยๆสม่ำเสมอไม่หวังผลไม่ขี้เกียจทำสม่ำเสมอไปมันก็จะค่อยๆดีขึ้น อย่างตอนนี้เราก็เห็นแล้วขันมันแยกไดไ้กายก็ส่วนกายจิตก็ส่วนจิตความรู้สึกก็ส่วนความรู้สึกมันไม่ใช่จิตนี่พอเราแยกขันได้นะเราก็ดูแต่ละอนแต่ละันนันแต่ไม่เที่ยงนันแต่บังคับไม่ได้นะอะไรเงี้ยเจริญปัญญาไปจเจริญปัญญาไปถึงระยะหนึ่งไม่นานหรอกใจก็จะฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านกลับมาทำความสงบใหม่ การเจริญปัญญามันเหมือนเราเอาแบตบมือถือไปเล่นเน็ตแล้วก็หมดเร็วเราก็ต้องชาร์จทำสมถะกลับมาอยู่กับลมหายใจไม่อยู่กับพุโทโธไประยะระยะไปหลงรู้ไหมเวลาใจมันหลงก็รู้ทันนะใจเป็นไงก็รู้ทันเอาบังคับใจก็รู้ทันเอานะ ดูออกใช่ไหมดูออกดีแล้วล ะ, ละไปดูต่อเฮ้ยเก้าสิบเก้าค่ะสองคุณพาวนาใช้ได้นะที่เพิ่งนั่งไปค่อยๆดูไปปฏิบัติในรูปแบบแล้วรู้สึกมีความทุกข์มากขึ้นจิตไม่สงบมากขึ้น อ, อยากทราบว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือเปล่าคะไปทำอีท่าไหนละ่ะจิตไม่สงบ เวสัมภาษณ์ ไ, ไปปฏิบัติอย่างไรจิตไม่สงบเวลานั่งชอบคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เข้ามาตลอดค่ะถ้านั่งแล้วชอบคิดเราพามันคิดเลยมาคิดถึงร่างกายของเราเนี่ยร่างกายเรา ตั้งแต่หัวคือปลายผมลงมาจนถึงเท้าไล่ขึ้นไ ล, ล่ลงนะพิจารณาไปร่างกายนี้เหมือนถุงหนังใบหนึ่งมีรูรั่วใหญ่ๆอยู่ก้ารูรูรั่วเล็กๆนับไม่ท้วนมีของสกปรกไหลออกมาตลอดเวลานะคือแทนที่จะปล่อยให้มันคิดสเปสป่านะมันกำหนดหัวข้อให้มันคิดพามันคิดพิจารณาร่างกายไปเลยทีหลังมันจะได้เข็ดไม่กล้าไปคิดเรื่องอื่น นะเวลามันหลงไปคิดเรื่องอื่นทีไรกลับมาคิดพินารณกายไปเรื่อยๆนะดูตับไตไส้พุงอะไรนะพิจารณาไปที่หลังใจมันก็ค่อยๆหายดิ้นรนนะไม่ค่อยกล้าสนต่อไปกลัวเราจะพามาพิจารณกายอีกไปทำนะจะดีหมายเลขหนึ่งร้อยห้าสิบห้าค่ะปฏิบัติมาได้สามปี ปี62มาส่งกันบ้านครั้งแรกหลวงพ่อให้ไปฝึกดูกายเคลื่อนไหวจากที่เคยแค่สวดมนต์ในรูปแบบจึงเริ่มเดินจงกรมร่วมด้วยรู้สึกการภาวนาผ่อนคลายเป็นธรรมชาติมากขึ้นและถูกจริตระหว่างวันจึงใช้ดูกายและลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ <c oughs> เริ่มเห็นใจที่ไหลไปตามอายตนะ <c oughs> แต่ยังเผลอบ่อย โดยเฉพาะช่วงสนทนาใจยังไม่เป็นกลางกับสภาวะไม่ทราบว่าต้องไปปรับการปฏิบัติในส่วนใดบ้างขอหลวงพ่อช่วยแนะนำเป็นการบ้านนำไปฝึกต่อด้วยค่ะที่ปฏิบัตินดีแล้วนะถูกแล้วนะไม่ต้องปรับปรุงอะไรหรอกใช้กายเป็นวิหาราธรรมนั่นแหละพอมีกําลังมันก็เห็นจิตไปเอง แล้วมันก็สงบบ้างไม่สงบบ้างอะไรนะั้นธรรมชาติเราอยู่ในอารมณ์กรรมฐานของเราไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็สงบเองแหละจิตใจมีกำลังมากขึ้นตรงนี้ดูออกไหมนะหนูก้าวหน้าขึ้นแล้วล่ะค่อยๆทำไปต่อไปนะกิเลสอะไรเกิดเราก็รู้ทันเอาดีหมดแล้วค่ะหมดแล้วนะเหลือเวลาเจ็ดนาที พวกเราชาวพุทธนะ้าเราต้องมีทฤษฎีชีน้นาที่ดีหน่อยที่ถูกหน่อยนะขอบเขตคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนเรื่องกรรมพูดเรื่องกรรมพูดเรื่องกิริยานะก็พูดเรื่องความเพียรวิริยะมีกรร ม, มาวาทะว่าทะก็คือเป็นหลักการ หลักการของศาสนาพุทธเนี่ยเป็นเรื่องของกรรมมีกิริยาวาทากิริยาวาทาเป็นเรื่องของการกระทำแล้วก็มีวิริยะวาทะพูดเรื่องต้องทาความเพียรไม่ใช่อยู่เฉยๆยอยู่ๆก็ปล่อยวางเฉยเอันนี้ไม่ใช่กรรมาวาทาเป็นไงกรรมาวาทาจะสอนเราว่าผลทุกอย่างมาจากเหตุ ทุกสิ่งที่เราพบเราเห็นทุกวันเนี้ที่เรามีที่เราเป็นทุกอย่างเนี้ยมาจากเหตุทั้งสิ้นชีวิตเราเป็นอย่างเนี้ยก็เพราะมีเหตุไม่ใช่เราพรหมลิขิตไม่ใช่เพราะฟุ้ไม่มีเหตุกฎแห่งกรรมก็คือเราเป็นอย่างที่เราทํานั่นแหละกฎของกิริยา เมื่อเรารู้ว่าเราต้องเป็นอย่างที่เราทำตอนนี้เราเป็นอย่างที่เราเคยทำมาสิ่งต่อไปก็คือเราจะต้องทำสิ่งที่ดีขึ้นนะเพื่อผลที่จะตามมาการกระทำนั้นมีผลมันไม่ใช่อดีต ท, ทำมาไม่ดีชีวิตนี้มีทุก็กไปอ้อนวอนเทวดาให้ช่วยหรือพยายามจะไปแก้อดีตซึ่งมันไร้สาระ มีกิริยาใหม่คือการกระทากรรมใหม่ในปัจจุบันนี้ให้ดีแล้วผลที่ตามมามันจะดีแล้วการที่เราจะทํากรรมใหม่ที่ดีมีกิริยาที่ดีเนะี่ยต้องมีความเพียรคือทำไปเพื่อลดละกิเลส ท, ทำลายกิเลส ท, ที่มีอยู่นะปิดกั้นกิเลสใหม่ไม่ให้เกิดทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดทำกุศลที่เกิดแล้วให้เจริญขึ้น เนี่ยเรียกว่ามีความเพียรพระพุทธเจ้าสอนอยู่ในหลักการสามข้อนี้นะธรรมะของพระพุทธเจ้างั้นเราจะไม่พูดเรื่องพรหมลิขิตเรื่องโชคชะตาดวงชะตาเลิกยามอะไรเงี้ยมันจะไม่มีในคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่พวกเราชอบมีเห็นแล้วอยากเอากติกกว้างหัวจริงนะแต่อุเบกขาเพราะเสียดายกติกนะแต่เราคนน่ะหัวแข็งอีกชะล่ะบางที ต้องรู้นะเรื่องกฎของกรรมไม่ใช่มีใครมาดิขิดแล้วก็ไม่มีใครมาแก้ให้เราได้เราต้องลงมือกระทำาอด้วยตัวเองในปัจจุบันเนี้ยแล้วผลมันจะดีขึ้นการกระทาในปัจจุบันทำอะไรก็ลดละความชั่วที่มีเจริญความดีที่ยังไม่มีให้มีที่มีแล้วให้เจริญยิ่งขึ้นนี่คืองานที่พวกเราต้องทำ งั้นถ้าเรายัางเชื่อดวงดา ว, ด ว, ดาวเชื่อพลมลิขิตเชื่อเทวดากำหนดหรือเชื่อว่าทุกอย่างฟลุกไม่มีเหตุเก็เกิดได้เองนี่ไม่ใช่ชาวพุทธแล้วถ้าคิดแต่เรื่องจะแก้กรรมในอดีตอย่างเงี้ยไม่คิดถึงการกระทําที่ดีในปัจจุบันนี่ก็ไม่ใช่ชาวพุทธถ้าจะมีความเพียรในปัจจุบันแต่ไม่รู้ว่าเพียรคืออะไร อันนั้นก็ไม่ฉลาดไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้จริงความเพี่ยนของเราไม่ได้มีอะไรลึกลับนะเราเพียนล่าขุสรที่มีอยู่อย่างใจเราติดในกามมากเนี่ยพรานก็มีนะพระติดในกามเขาคุ้นเคยกับกามมาตั้งแต่เด็กใจมันคอยโหยหาอยู่เนะพราต้องมีสติรู้เนี่ยใจมันจะไหลไปหากามแล้วไม่เอานะรู้ทันมันไปไม่ยอมปล่อยให้ใจไหล จมลงไปในกามไปแช่อยู่กับกามอะไรเงี้ยก็เจริญสติเจริญปัญญานะพัฒนากุศลขึ้นมางั้นคําว่าความเพียรไม่ใช่เพียรแบบเดินจงกรมมากแปลว่าเพียร น, นั่งสมาธิมากแปลว่าเพียรอันนั้นไม่ใช่คําว่าเพียรของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพียรละกิเลส ท, ที่มีอยู่เพียรปิดกั้นกิเลสใหม่ไม่ให้เกิดเพียรทํากุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดเพียรทํากุศลที่เกิดแล้วให้เจริญ กิจสี่อย่างนี้ทำได้ด้วยการมีสติรู้จิตใจตนเองในปัจจุบันนี้ไปกิเลสเกิดปุ๊บเรารู้ปับ๊บกิเลสจะดับทันทีตรงที่สติเกิดขึ้นตรงนั้นกุศลได้เกิดขึ้นแล้วกิเลสได้ดับลงแล้วแล้วในขณะที่มีสติอยู่กิเลสใหม่ก็เกิดไม่ได้การที่เรามีสติเนื่งๆนะกุศลจะเจริญขึ้นสีสมาธิปัญญาจะดีขึ้นอัตโนมัติเลยเพระนั้นการที่เรามีสติ คุ้มครองดูแลจิตใจของนนตนเองนะี่นั่นแหละคือความเพียรชอบไม่ว่าจะทำกรรมฐานในรูปแบบอะไรถ้าไม่ได้ทำไปเพื่อลดละ ก, กิเลสเพื่อเจริญกุศลก็ไม่ใช่หรอกนะเจริญกุศลก็ไม่ได้แปลว่าทำบุญนะบุญไม่ใช่กุศล น, นะบุญมันเป็นชื่อของความดีงามที่ผลเป็นความสุขกุศลคือวความฉลาดในการลดละ ก, กิเลสในการเจริญกุศล อย่างบางคนช่างน้ำหนักไม่เป็นนะอย่างการที่จะมาบวชภาวนาอะไรเงี้ยอันนี้เป็นบุญใหญ่บุญภาวนาเกิดห่วงยังไม่บวชที่บ่าเดี๋ยวไปงานหล่อพระซะ ก, ก่อนอย่างเงี้ยนะ่ะหล่อพระเป็นบุญไหมเป็นนะแต่บุญ น, นั้นเป็นบุญที่จะอยู่กับโลกนะบุญภาวนาเนี่ยมันสูงกว่ากันเยอะเลยอย่าว่าแต่หล่อพระองคเดียวเลยสร้างวัดทั้งวัดเนี่ย ครูบาอาจารย์ท่านเคยสอนนะว่าแค่เรานั่งสมาธินะยังไม่ขึ้นมิปั ส, สนาเลยนะเ่านั่งสมาธิจิตสงบชั่วช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นปุ๊บเดี๋ยวแค่เนี้ยสงบแค่เนี้ยนะได้บุญมากกว่าสร้างวัดทั้งวัดอีกนะั่นแทนที่จะวิ่งเพลานเพล้านพล้า น, า น, านทำบุญอะไรวุ่นวายไปนะมานั่งภาวนามาฝึกจิตฝึกใจตัวเองได้บุญเหนือกว่ากันอีกนะบุญทั้งหลายนั้นเป็นบุญเพื่อจะอยู่กับโลก อย่างมีความสุขควรทำไหมมีโอกาสก็ควรทำไม่ใช่ไม่ทำนะมีโอกาสก็ควรทำในลรูปู่ดูลท่านสอนไว้อย่างนี้แต่การภาวนาเนี่ยต้องทำบุญอย่างนั้นทำให้เราอยู่ในโลกอย่างมีความสุขบุญจากการภาวนาจะทำให้เราอยู่เหนือโลกค่อยๆฝึกตัวเองไปต้องฉลาดนะเป็นชาวพุทธเป็นชาวพุทธงมงาย ไม่ใช่พุทธุาแบบว่าผู้รู้พุ ท, ทาแบบผู้รู้พุโธผู้รู้เนเป็นผู้หลงไม่ใช่เป็นผู้งมงายไม่ใช่ชาวพุทธได้เวลาพ อ, อสมควรตรงเวลาเป๊ะเชิญ